อย่างไรก็ตามสังคมแม้ที่มีรูปร่างชัดเจนอยู่ตัวแล้วก็ไม่ใช่จะเป็นฝ่ายปรุงแต่งหลอ่อหลอมบุคคลได้ฝ่ายเดียวเสมอไปถ้าบุคคลใช้โยนิโสมนสิการก็สามารถหลุดพ้นจากอำนาจปรุงแต่งของสังคมได้โยนิโสมนานสิการนั้นทำให้บุคคลก้าวข้ามหรือมองทะลุเลยสังคมไปถึงความจริงอันไม่จากัดการของธรรมชาติ